ก็คือบางทีเนี่ยนะหลายคนเขาบอกเขาปรารถนาสวรรค์กันทั้งนั้นนะ่ะแล้วพฤติกรรมที่ทําอยู่มันสวรรค์จริงหรือเปล่าเนี่ยนะสิ่งที่ทําคําที่พูดเจตนารมที่ปฏิบัติตัวอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันใช่ไหมถ้ามันใช่ก็ดีแล้วล่ะอนุโมธนาขอให้มันจริงเธอเนี่ยนะจะได้พ้นภยัยพ้นทุกข์พ้นโศกนั่นนะถ้าไม่จริงล่ะมันก็อันตรายเพราะฉะนั้นเราทํายังไงให้เจตนารมของเรากับสิ่งที่เราทำมันมันคือสิ่งเดียวกัน บางคนนี่เอาแต่เจตนาที่ดีมาอธิบายพฤติกรรมที่ไม่ดีตัวเองหรือไ ม, มอ่มากลบเกลื่อนพฤติกรรมที่ไม่ดีของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ต้องอปรับเนี่ยนะให้มันได้ดีทั้งสองอย่างเจตนารมที่ดีความปรารถนาที่ดีดีแล้วแต่ว่าพฤติกรรมของเราก็ต้องปรับให้คู่ควรเนี่ยนะปรับให้มันคู่ควรเพราะว่าถ้าหากว่าหมดเวลาแล้ว อ, อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะก็ยังว่าโลก จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเมื่อละกายละรูปละเวทนาละสัญญาละสังขารละวิญญาณไปแล้วจะเป็นอย่างไงเนี่ยนะทีนี้พระองค์ก็อุปมาว่าพิสูจนทั้งหลายเหมือนอย่างว่าผลสุก ข, ของย่างสายย่างสายก็คือต้นย่างสาเนี่ยน ะ, ะพึ่งแตกในเดือนท้ายฤดูร้อนพิสูจน์ทั้งหลายครั้งนั้นแหละพืชย่างสายนั้นก็จะเมล็ดเนี่ยก็ตกไปที่โคนต้นสาละต้นใดต้นหนึ่ง ครั้งนั้นพิสูจทั้งหลายเทวดาผู้สิงอยู่ที่ต้นสาระนั้นก็เกิดความกลัวตกใจพึงถึงความสะดุง้งเรียกว่าเป็นมเมล็ดพันธุไอเมล็ดพันธุ์สาระนี่ก็เป็นเป็นต้นไม้ตระกูลไม้เถาเป็นไม้เลื้อยเนี่ยนะเป็นตระกูลไม้เลื้อยที่มันเลืย้ลยๆๆๆๆๆแล้วมันก็ไปเกาะต้นไม้ทั้งหมดเหมือนกาฝากเนี่ยแต่นี้มันใหญ่กว่ากาฝากเยอะมันล้อมจนต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยอ้อมคลุมไปหมดแล้วพวกนี้มันจะเป็นมีมเมล็ดพันธุ์แล้วมันก็ตกลงมาที่โคน ต้นไม้เนี่ยนะเมื่อตกลงมาบอกว่าไอเนี่ยมเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันอยู่ที่โคนและภิษิษสทั้งหลายครั้งนั้นพวกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องของเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นอ่ะเช่นเทวดาที่อยู่ที่สวนเทวดาที่ป่าเทวดาต้นไม้เทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้ต้นย่าหรือต้นไม้ที่เป็นยาเป็นต้นเทวดาทั้งหลายก็มาประชุมพร้อมกันปลอบโยนเอาใจเทวดานั้นว่า ผู้เจริญอย่า ก, กลัวไปเลยอย่า ก, กลัวไปเลยผู้เจริญอย่างไรเสียพืชย่างสายนี้นกยุงก็จะกินเดี๋ยวเนื้อก็มาเคี้ยวกินไฟป่าก็จะไหมคนงานทั้งหลายก็จะถอนปลวกก็จะตั้งขึ้นหรือพืชอาจจะเป็นพืชเน่าปลกเพาะไม่ขึ้นก็ได้เพียงสูทั้งหลายครั้งนั้นนกยุงก็ไม่กลืนกินพืชย่างสายนั้นเนื้อก็ไม่เคี้ยวกินไฟป่าก็ไม่ไหมคนงานในป่าก็ไม่ถอนปลวกก็ไม่ขึ้น คือปลวกก็ไม่ได้มาเด็ดยอดมากัดกินให้มันเสียหายนะพืชก็งอกทีนี้เมื่อฤดูฝนผ่านไปเมฆก็หลังรดงอกได้งอกดีเถาย่างทายนั้นก็เป็นต้นอ่อ น, ออนที่มีขนอ่อนนุ่มเนี่ยนะเลื้อยเกี่ยว่าบเลื้อยทอดยอดไปเรื่อยๆค่อยๆพันต้นสาละนั้นจะเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนกับต้นกระทบลกต้นต้นผลไม้ต้น ลกสวรรอ่ะนะคล้ายๆพวกสวรรคนะ์น่ะมันค่อยๆเกาะขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมกพ็พันพันพันขึ้นตอนแรกมันจะเป็นหน่อบแม้สัมผัสกับต้นสาละนี่ยนะไ อ, ไอ้ยอดอ่อนๆ น, นี่มันก็อ่อนนุ่มเนี่ยนะเทวิสูรทั้งหลายเทวดาที่สิ่งที่ต้นสาละนั้นก็คิดว่านี่อะไรกันไอ้พวกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องของเราที่เป็นเทวดาอยู่ที่สวนที่ป่าที่ต้นไม้ต้นไม้ที่เป็นหญ้าเป็นยาเป็นต้นพวกท่านเหล่าพวกเขาเหล่านั้นเห็นภายในอนาคต ของพืชย่างสายก็มาประชุมการปลอบโยนเอาอกเอาใจเราเนี่ยนะบอกว่าอยากกลัวไปเลยท่านพูดเจริญพืชย่างสายนี้พวกนกยุงอาจจะกลืนกินพวกเนื้อพวกไฟป่าเป็นต้นอาจจะเผาไหมเนี่ยนะคนงานเขาอาจจะถอนหรือปลวกก็จะพึ่งขึ้นมันก็จะเป็นต้นหมดสภาพเขาก็มามากลัวอะไรกับต้นย่างสายพวกนี้นี่สัมผัสของย่างสายที่อ่อนๆมีขนนุ่ม เลือยทอดยอดไปเรื่อยช่างเป็นสุขนี่ไงแม้มาอ่อนเนี่ยนะมันก็ว่ามันเป็นต้นเหมือนกับต้นอ่อนๆใช่ไหมเหมือนกับพืชล้มลุกที่มาค่อยๆพันเนี่ยมันจะไปเดือดร้อนอะไรกยแค่ต้นอ่อนๆดีซะอีกเนี่ยนะจะได้มีที่วิ่งเล่นให้ลูกให้หลานเราแล้วก็นี่ก็พวกเทวดาเขาก็มีลูกมีหลานให้พวกลูกหลานเนี่ยนะคือคือพวกนี้เป็นพวกลุกกับเทวดาจะให้ลูกหลานเราไปเที่ยวไม่เห็นว่ามันมีโทษอะไรเลยต้นยางสายอันนี้ เทาย่างทายนั้นก็ล้อมแล้วก็รัดพวกนี้อ้อมไปแล้วมันก็ค่อยรัดรัดรัรัเมื่อมันล้อมรัดต้นสาละสูงจนถึงขาครบมันก็ทำให้เกิดความทึบคือไอไอต้นนี้เนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้พอมันคลุมไปถึงคลุมต้นไม้ปั๊บเนี่ยนะมันก็ไปแย่งอาหารดูดซึมของของต้นสาละหมดมันก็ครอบคลุมทั้งหมด พอครอบคลุมเนี่ยใบมัน up ก be bon so ็ดกเอาดกเอาดกเอาดกเอาดกเอาใส่แล้วบางทีมันก็ท่วมทับจนต้นสาระเหล่านั้นเนี่ยหักแล้วก็ทําลายบางทีมันก็อาศัยแก่นต้นสาระสาระแปลว่าต้นไม้มีแก่นมันก็คลุมเลยนะต้นต้นเก่าตายไปแล้วมันก็อาศัยซากของต้นไม้นั้นอ่ะมันหนักกระกาฝากเยอะถ้ากาฝากมันโดยมากต้นไม้ไม่ถึงกับตายแต่อันนี้มันหนักกระกาฝากต้นสาระต้นต้นไม้แก่นเนี่ยนะขนาดสองคนโอบยังตายเลยไอไอต้นประเภทนี้ แล้วมันเลื้อยแบบเท่าค่ะว่าเท่ากับงูเห่าตัวใหญ่ๆเนี่ยนะงูตัวใหญ่เนี่ยมาเลื้อยมารัดแบบนั้นแหละแต่ตอนแรกมันก็จะเป็นเหมือนกับต้นอ่อนนุ่มต้นไม้นั้นก็ไม่ตายครั้งนั้นเทวดาทั้งหลาย ท, ที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นก็คิดอย่างนี้ว่าโอ้อันนี้เองที่เพื่อนฟูงญาติพี่น้องเทวดาที่อยู่ตามสวนอยู่ที่ป่าอยู่ที่ต้นไม้อยู่ที่ต้นไม้ที่เป็นยาเป็นต้นต้นไม้ใหญ่ๆ ผู้เจริญเหล่านั้นมองเห็นภายในอนาคตของเถาย่างสายต่างก็มาประชุมพร้อมกันแล้วปลอบโยนอย่างนี้ว่าผู้เจริญอย่า ก, กลัวไปเลยอย่า ก, กลัวไปเลยนั่นนะเรานั้นได้สวยเวทนาที่เป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อนเพราะพืชย่างทายนั้นเป็นเหตุโดยแท้ก็คือต้นไม้นั้นก็หมดสภาพนะพอต้นไม้นั้นตายหรือหักโค่นลง คือรุ ก, กเทวดาเนี่ยนะมันต้องเอาวิมานไปแปะกับต้นไม้จึงจะอยู่ได้อีกครั้งหนึ่งทีนี้พอต้นไม้ที่ตัวเองแปะเนี่ยไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นต้นไม้นี่มันหักลงก็แทบไปแล้วว่าจะจูงลูกจูงหลานอพยพว่าเอเทวดาอพยพเนี่ยนะเรียกว่าพวกเทวดาพวกเทวดาประเภทเนี่ยเป็นเทวดาบุญน้อยนะพวกรุ ก, กะเทวดาเนี่ยนะพวกรุ ก, กเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้มันเวลาที่ต้นไม้เนี่ยมันหกักมันโค่นลงเนี่ยมันก็จะเรียกว่าหมดที่ไปเลยไม่มีที่อยู่ ก็อย่างที่โยมหลายคนเข้ามาเล่าให้ฟังว่าใช้ให้คนงานเนี่ยนะตัดต้นไม้แล้วก็คนงานไอ้ผีนี่นก็มาเล่นงานไอ้คนงานเนี่ยนะเจ็บป่วยเรียกว่าแค่อะไรนะแต่เส้นสถาดเดียวแล้วหายป่วยได้เป็นต้นเนีซึ่งซึ่งเกี่ยวกับเรื่องพูดผีอ่ำมนุษย์ไม่ใช่เรามองไม่เห็นแล้วเราก็ปฏิเสธว่าไม่มีโลกนี้จริงๆแล้วเราเห็นกี่เรื่องเออ นะไม่ใช่สิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราไม่เห็นสิ่งที่เราไม่รู้จักและสิ่งนั้นไม่มีนั่นพวกเทวดาทั้งหลายก็บางทีเนี่ยนะถ้าต้นไม้หักโค่นล้มลงไปเนี่ยนะก็ไม่มีบ้านอยู่เหมือนกันเนี่ยนะพวกนี้ก็เดือดร้อนมากอย่างว่าเป็นเทวดานะถ้าเป็นเทวดาชั้นต่ำนะลำบากนะนั้นลงเรือนอย่าไปคิดถึงต้นไม้มากวิมานไปแปะอยู่ที่ต้นไม้ก็ทําลายสวนแนละ้วหมดเลยอ่ะเนี่ยนะระวังให้ดีนะไปอยู่สวนไหนโน่นเนี่ยนะ อวันๆหนึ่งก็คิดถึงต้นไม้ใช่ไหมบุญเก่ามันให้ผลไปเกิดเป็นมิมานแปะอยู่ที่ต้นไม้เนี่ยไปอยู่ต้นมะม่วงนะเนะ่ยทำไงลงเรืองอลำลำบากนะเรื่องเขามีไร่อยู่หลายร้อยไร่นะเขาก็หวงไร่ของเขามากแล้วก็จะไปดูแลไปขุดสะหลังดอกกลับมาเลยก็มีนะเนนะ่ะอดฟังธรรมเลยอนั้นก็คืออคือก็ไม่ได้ห้ามนะในการคิดถึงแต่ว่าคิดให้เป็นกันแล้วกันถ้าคิดไม่เป็นเนี่ยได้เฝ้าป่ามะม่วงแน่วางั้นนะ แล้วก็ลําบากแล้วกลายเป็นเจ้าที่เจ้าทางเขาไม่เส้นเดี๋ยวก็สร้างความเสียหายหเขาอีกนะไปเดือดร้อนอยู่ตรงนั้นก็ต้องระวังนะว่าต้องเจริญกุศลธรรมใ ห, ให้ให้ให้มันพ้นจากเนี่ยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาเผาป่ามาแล้วก็วิมานถูกเผาอีกก็เดือดร้อนแล้วทีนี้ย้อนกลับมาว่าเทวดาที่อาศัยอยู่ที่ต้นต้ น, ตนสาระเนี่ยนะไม่ตอนต้นไม่เห็นโทษของเถ่ายย่างทาย ที่มาร้อยมารัตตนแต่ในที่สุดก็เขวะจูงลูกจูงล้านเขวะวิมานก็พังไปหมดเลยเนี่ยนะถึงความเดือดร้อนฉันใดไอ้พวกสมณะธามทั้งหลายพวกที่มีลัทธิทิฏฐิความเห็นอย่างนี้ว่าโทษในกามทั้งหลายไม่มีอยู่เพราะฉะนั้นพวกเขาก็เลยพากันดื่มดำในกามทั้งหลายพวกเขาย่อมใช้พวกนางปริพาชิกาเนี่ยนะที่กล้าวมวยผมบำรุงบำเรอตอนกล่าวอย่างนี้ ไหมก่อนถ้าบอกว่าถ้ามีพวกน้ําอ่างอะไรท่าเขาอาจจะเปรียบแบบนี้ก็เลยบอกว่าคือพวกนี้เนี่ยนะสำคัญบอกว่าอะไรกันที่พวกสมณะพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นมองเห็นภายในอนาคตในกาลทั้งหลายอยู่พากันกล่าวถึงการละกาลทั้งหลายแล้วก็บัญญัติความกําหนดรู้กาลทั้งหลายเอาไว้สัมผัสแขนที่มีขนอ่อนนุ่มของปริภาชิการุ่นๆเนี่ยนะเรียก ว, ว่าสัมผัสกับหญิงสาวรุ่นๆ น, นี้ช่างเป็นสุขเสียนี่กระไร พวกเขาก็เลยดื่มดาในกามทั้งหลายพวกนี้เรียกว่าบริโภคกามจนลืมตายเนี่ยนะแต่ลืมตายก็ไม่ได้แปลว่าไม่ตายนะแต่ในที่สุดก็พอดื่มดาในกามทั้งหลายอย่างเต็มที่ในที่สุดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็เข้าถึงอาบายทุคติวินิบาทแล้วก็นรกเนี่ยนะ พวกเขาเสวยเวทนาที่เป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อนในที่นั้นพวกเขาก็เลยกล่าวอย่างนี้ในที่นั้นว่านี่เองที่สมณะพราหมณ์ผู้เจริญทั้งหลายเหล่านั้นมองเห็นภายในอนาคตในกามทั้งหลายพากันกล่าวถึงการละกามทั้งหลายบัญญัติความกำหนดรอบรู้กามทั้งหลายเอาไว้พวกเราเหล่านี้ย่อมเสวยเวทนาที่เป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อนก็เพราะมีกาลเป็นเหตุเพราะมีกาลเป็นข้าวโมเนี่ยนะ แ ต, แต่ก็ไม่ใช่น้อยเลยนะพวกที่ใช้ชีวิตแล้วก็หมกมุ่นในลักษณะนี้เนี่ยนะก็พอดีบุญเก่ามันให้ผลใช่ไหมเพียบพร้อมด้วยยศ ด, ด้วยอํานาจด้วยบริวารด้วยทรัพย์สินใช้ชีวิตหมกมุ่นอยู่ด้วยความเพลิดเพลินเนี่ยนะบางทีก็การมเมซูมิชาจามทําบาปอากุศลไว้เยอะแยะไปหมดเลยพวกนี้สุขในปัจจุบันแต่ในอนาคตละ่ะทุกอย่างเดียวเนี่ยนะเวลากรรมเหล่านั้นมันตามให้ผลนาะยโยมอเนี่ยนะก็ ถ้าเก็บข้อมูลของความทุกข์ในโลกนี้เอาไว้ในใจเยอะๆเนี่ยนะพวกนี้กําลังเรียกว่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองต่อไปในอนาคตเนี่ยนะบางคนเขาบอกว่าอู้ไม่มีไม่จริงเนี่ยนะเขามาก็ไม่อยากให้มันจริงสักเท่าไหร่เนี่ยนะแต่ปัญหาว่ามันจริงนี่สิทำไง น, นะแต่ถ้าไม่เขาบอกว่าคนที่ทําบุญเนี่ยนะเขาบอกว่าเออถ้าทําบุญแล้วเนี่ยสมมติผลบุญมันไม่มีจริง มันก็ไม่ต้องเป็นรายหรอกเพราะมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรปัจจุบันก็ไม่เดือดร้อนต่อไปมันก็ไม่เดือดร้อนแต่ถามว่าถ้าผลบาปมีจริงแล้วเราทำบาปแล้วเหนไหแล้วทีนี้ใครจะไปรับผลบาปแทนเราเนี่ยนะมันก็หลายๆอย่างที่ที่อาจจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในปัจจุบันก็ตามแต่ผลเหล่านั้นที่เราจะรับเราก็รับแต่เพียงลาพังตนลาพังเฉพาะตนเนี่ยนะอย่างคนที่เป็นทุกข์ทั้งหลายเนี่ยโยม เข้าเป็นทุกแต่เฉพาะตัวจริงๆเลยนะไม่มีใครมาช่วยแบ่งเบารับภาระไม่เชื่อไม่สบายดูสิใครมาช่วยเป็นหวัดเราบ้างเอานะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายเป็นวัดนอนไม่หลับเครียดเป็นต้นไหนใครมาช่วยแบ่งเบาเราบ้างช่วยอะไรหรอกเราอย่างเราพิการขาขาดแล้วใครมาช่วยขาดแทนบ้างปวดหัวตัวร้อนปวดท้องไม่สบายเจ็บหลังปวดเอวเนี่ยนะใครมาช่วยปวดช่วยเมื่อยบ้างโรงเรียนมีคนเดียวทั้งนั้นแหละนะนะมันนึกขำโรงเรียนว่าไงนะ แหมตายยังจะดีกว่าแล้วท่านอบอกงั้นเลยนะอุ้ยมันปวดเลยนะเดี๋ยวว่างๆให้ลุงแดงเล่าให้ฟังว่ามันปวดขนาดไหนว่างั้นทุกข์จริงๆเลยนะแต่ตอนนี้มืหัระร่าเนี่ย น, นะนั่งรถไม่หลับไม่นอนอีกวังเนอ <c oughs> นี่มาดูสิ่งที่เป็นทุกข์ในปัจจุบนันแล้วก็ให้ผลต่อไปเป็นทุกข์ปัจจุบันก็เดือดร้อนหนักหนาสาหัสอยู่แล้วเนี่ยนะอนาคตตชาติอีกก็ยิ่งเดือดร้อนหนักเขาเ้าไปอีก ทุกในปัจจุบันด้วยและทุกต่อต่ อ, ตอไปด้วยแหมไม่น่าเลยนะอุตสาห์รรมแทบ เ, เป็นแทบตายเนี่ยทำจนเป็นจนตายแล้วก็ยังทุกต่อต่อไปอีกยกตัวอย่างบอกว่าภิกสุทั้งหลายในโลกนี้มีชีเปลือยบางคนปล่อยมารยาททิ้งไปเสียแล้วก็ใช้มือนชเชอุจาระ พวกนี้ก็แปลว่ามือที่กินอาหารนั่นแหละมาเช็อุจาระเนี่ยนะก็ไม่ล้างไม่อะไรนั่นอยู่ด้วยความสกปรกเนี่ยนะบ้านเราไม่มีแต่ที่ที่เมืองแขกเนี่ยมีเมื่อกี้เนี่ยสักพักเมื่อเช้านี้ก็ดูรูปอยู่นะเป็นรูสีที่นอนบนน้าอ่ะนอนบนน้ําแบบเรียกว่าทอดตัวนอนบนน้าเลยเนี่ยนะนุ่งผ้าเตี่ยวอยู่ผืนหนึ่งอะก็คือเอาผ้าปรับเท้าของเกงในอ่ะมันนุ่งและที่เหลือก็นอนบนน้ําแบบน้ําไผ่กองน้ําเลยนะก็นอนอยู่นั่นแหละ ไม่รู้ว่าวางขันเอาไว้อันหนึ่งไว้รับวัตถุฐานด้วยเปล่าเดี๋ยวโดยมากก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองเจ็บปวดมากเนี่ยแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยนะผู้ที่ปฏิบัติลักษณะสร้างความเดือดร้อนในปัจจุบันเนี่ยที่ที่ประเทศอินเดียเนี่ยมีประมาณสักล้านคนเป็นอย่างน้อยที่ที่แบบสร้างความเดือดร้อนชนิดที่เรียกว่าเจ็บแสบเผ็ดปวดร้อนเนี่ยนะทั่วประเทศเลยเนี่ยมีเป็นล้านเนี่ยนะไม่ใช่มีคนสองคนนะมีเป็นล้านๆคนเลย บุคคลเหล่านี้เนี่ยประพฤติปฏิบัติที่เรียกว่าอกกฤตมากเขาเชิญให้มารับก่อใหม่มาอ น, นะไม่รับอาหารที่เขาร้องเชื้อเชิญว่าจงหยุดไม่ยินดีอาหารที่เขานํามาจําเพาะไม่ยินดีอาหารที่เขาเจาะจงไม่รับนิมนต์ไม่รับอาหารจากปากหม้อปากภาชนะไม่รับอาหารที่คร่อมธรณีประตูให้คร่อมสากให้ก็ไม่เอาคล่อมท่อนไม้ให้ก็ไม่เอาเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าพวกนั้นเป็นชีวะหมด ไม่รับอาหารของคนที่กำลังกินข้าวอยู่กำลังนั่งกินอยู่เนี่ยไม่ต้องแบ่งมาให้หรอกไม่เอาอะนะพวกหญิงมีคันก็ไม่เอาเดี๋ยวลูกข้างในจะเดือดร้อนนะนะหรือว่าพวกหญิงที่กำลังให้ลูกดื่มนมหรือพวกหญิงที่กำลังอยู่กับผู้ชายเป็นต้นเนี่ยหรื อ, อเขาชวนกันทำอาหารมาให้ก็ไม่เอา หรือตรงไหนที่เขาให้อาหารสุนัข ก, ก็ไม่เอาที่แมลงวันบินอยู่ก็ไม่เอาไม่รับปลาไม่รับเนื้ออ่านะไม่รับสุราไม่รับเมรัยไม่ดื่มเรียกว่าของดองของมืึนเมาทุกชนิดถ้าเขาได้อาหารมาเนี่ยนะรับบ้านหนึ่งหลังกินคําเดียวถ้ารับสองหลังก็เรียกว่ารับรับบ้านละคำโห้ยเคร่งมากเลยนะปฏิบัติบ้านเราสงสัยคนนับถือเยอะเงั้นนะเนี่ยเ น, นะห ประเภทแบบนี้นะเชื่อไหมบ้านเราก็นับถือไม่ใช่น้อยนะโอ้ยแข่งจริงๆเนี่ยนะแล้วก็บอกท่านแข่งจริง ๆ, ๆเนี่ยนะนับถือกันจริงๆเลยแหละ <c oughs> บางทีเนี่ยนะรับจากบ้านเจ็ดบ้านแล้วก็มานะไปรับอาหารมาจากเจ็ดบ้านก็ทานแค่เจ็ดคำบางทีก็เลี้ยงภาชนะด้วยภาชนะถาดน้อยๆอถาดน้อยๆเคยเห็นเครื่องเส้นไหมถาดน้อยๆถาดเล็กๆะนะแบบเครื่องเส้นอะ นั่นแหละอยู่ด้วยอาหารแทบพาชนะถาดเดียวบางทีสองถาดสาถาดสถาดบางทีก็แค่เจถาดถาดก็ไม่ได้ใหญ่อะไรเนี่ยนะไอ้ถ้วยแบบยิ่งกัดเล็กนิดเดียวเนี่ยนะแล้วก็บางทีก็กินอาหารที่เก็บเก่าเนี่ยนะเก็บเก่าเก็บอาหารสุกแล้วปรุงสุกแล้วเก็บค้างไว้วัน2วันสาวัน4ี่วัน5วัน7วันเนี่ยนะเขาก็มีพระรูปหนึ่งตอนนี้ท่านเสียไปแล้วเขานับถือท่านมากเพราะท่านกินอาหารบูดเนี่ยนะ ท่านก็ได้อาหารมาท่านจะเก็บให้บูดเป็นวันวันก่อนแล้วท่านก็มาทานฉันแต่อาหารบูดแล้วก็คนขึ้นคนขึ้นเยอะมากเลยเนี่ยนะนับถือท่านมากเลยเพราะท่านฉันอาหารบูดเพราะฉะนั้นบอกว่าโอ้คนอย่างเงี้ยนับถือนะ่ยอย่าคิดว่าบ้านเราฉลาดมากนะนะไม่เท่าไรหรอกนะก็นับถือแบบนี้ก็ไม่ใช่น้อยอที่เก็บเรียกว่าเก็บอาหารกินอาหารบูดบูดเนี่ยนะ